ทำไมเนี่ยก็ลีลีของขวางหลังจเราหัดทำงานทำการถ้าเราหัดทำงานทำการใหม่ๆนี่ก็ยุ่งเหยิงสับสนบางทีก็ที่งๆคี่ ง, งควางไม่สู้ไม่เอางานเอาการการปฏิบัติธรรมก็เช่นกันไม่ได้มีประสบการณ์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 เราจึงเทียนพยายามโดยเพราะการเจริญสตินี่มัเอาจะมีปัญหามากมายหลายอย่างกว่าการทำงานทำการอย่างอืง่นมันต้องใช้ <c oughs> ความนิ่มนวนความเพียนความอดทนความศรัทธาปริยะ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 <c oughs> จิตบัณฑพที่เอามาเอาบับพฑะต่างๆมาสร้างความรู้สึกตัวให้มันเป็นหลักในหลักตั้งไว้ที่หลักให้มันดีๆรูปแบบนิมิตที่เราตั้งไว้นี่ยสำคัญมากๆอย่าคิดใจเลื่อนใจลอยจับงานจับการรูปแบบก็ต้องมีจิยาก็ต้องมี กรรมก็ต้องมีการกระทาก็ต้องต่อเรื่องอบางทีมันก็ปวดคกรกห้วยบางทีมันก็เลื่อนลางทำอะไรที่ไม่มันเห็นทันหูทันตาทันอกทันใจการที่ทำอะไรที่ไม่เห็นเป็นชิ้นเป็นอันนั่นแหละมันดีเราจะเริญเสติบางทีเราจะไป คิดว่าให้มันเกิดตะนโนนแต่นี่ขึ้นมามันเหมือนกับเราขุดดินปั้นขันาปลูกข้าวไถนามันก็เสร็จไปเป็นวันวันไปเป็นโลกเป็นร่างไปเรื่อยๆไปการเจริญเสถีมันไม่เหมือนมันมันก็เสร็จไปเหมือนกัน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 ถ้ามันติดแล้วความรู้สึกตัวไปติดกับรีบิบุตรอริบทตรขเพื่อความรู้สึกตัวนั่นแหละมันจะง่ายต่อไปมันจะง่ายแต่ยากสําหรับทําใหม่ๆแล้วมันก็ฝึกตนเดงไปในตัวเสร็จขนาดเดียวกันอียาที่เราทําความรู้สึกตัวที่เราเจตนาความเพียรที่เราพยายามทําต่อหนัง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 เป็่นความหลงเป็นความรู้นะเจรณาสร้างความรู้มันบุกเบิกเวลาใดที่มันคิดไปเวลาใดที่มันคิดไปรู้สึกตัวเน่ยบุกเบิกความหลงก็มมหลายอย่างความง่วงเหงาห่อ น, อนี่ทาให้เกิดที่ทำให้ไม่เกิดความรู้สึกตัวก็บุกเบิกไปให้เกิดความรู้สึกตัว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 ขี้เกลียดขี้คลานอะไรก็ได้มันคืออะไรนั่งอยู่สร้างสติอยู่นี่อ้าวมันหลงคิดไปทั้งนู่นมันคืออะไรอย่าที่สร้างอยู่นี่มันรู้สึกตัวได้มันคืออะไรความหลงก็หลงแล้วหลงอีกความรู้ ก, ก็รู้แล้วรู้อีกมันเป็นกายมันเป็นรูปอะไรได้มันเป็นไรไูนเปเป็นนามอย่างไรให้เห็นเป็นรูปเป็นนามอย่าข้าม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 เห็นเราจะปลูกต้นไม้ก็ต้องมีเครื่องมือมีจอบมีเสียมามีต้นไม้ที่ปลูกมีสายยางมีน้ําที่จะลดตายต้นไม้ก็งอกก็งามอาศัยเครื่องมือการไปบัตธรรมก็ต้องได้เครื่องมือเครื่องทํางานได้ หลักเห็นรูปประธรรมเห็นนามธรรมรูปประธรรมนามธรรมเป็นหลักที่จะบอกความผิดความถูกความสุขความทุกข์มันบอกความผิดความถูกมันบอกความสุขความทุกข์อันมันคือรูปประธรรมคือนามธรรมเราก็มีสติเห็นขณะที่มันผิดเห็นขณะที่มันถูกรูปนามมันแสดง มันฉกมันทุกลูบนามมันแสดงไม่ใช่ชีวิตจริงเพราะมันต้องแสดง <c oughs> ถ้าโลกไม่เคยเห็นเราก็แสดงแบบป่าเถื่อนมาตลอดลูบนามมันแสดงแบบเถื่อนๆความโกรธความโลภ ค, ค, ค, ความหลงมันต้องอยู่บนลูบบนนามความรักความดังความย่งความยากความ หมกหมุ่นลองเลสงสัยอะไรก็ตามมันเกิดมาจากรูปทำนามทำแล้วเขาก็เคยคินมาทางนั้นพอเรามาเห็นแล้วก็จะเห็นการแสดงที่มันป่าเถื่อนความเถื่อนอยู่บนรูปบนนามเมื่อเห็นความเถื่อนอยู่บนรูปบนนาม มันก็จะเกิดความชอบอยู่บนรูปบนนามเพราะสติสมัญญะเนี่ยเข้าไปเห็นเส็จแล้วเหมือนเราทํางานทําการเห็นช่องว่างเห็นช่องหว่เห็นความผิดเห็นความถูกมีการกระทําตรงที่มันผิดมีการกระทําตรงที่มันถูก ไม่ให้ความผิดมันเกิดขึ้นลอยๆอยไม่ให้ความถูกมันเกิดขึ้นลอยๆอยมีการกระทำด้วยเมื่อได้หลักเหตุปเป็นนามได้หลักฐานคือเห็นรูปเป็นนามตามความเป็นจริงมันก็จะใช่รูปใช่นามถูกต้องเมื่อเรายังไม่เห็นเนี่ยมันก็จะผิด เพียนไปเียนเวลาใดที่มันคิดก็ไปกับความคิดเวลาใดที่มันหลงก็ไปกับความหลงเวลาใดที่มันทุกข์ก็ไปกับความทุกข์ทุกข์มันเกิดจากรูปจากน้ำเรานึกว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นตัวเราด้วยเราก็ยึดเราด้วยการทำความเพียนบางทีความขี้เกียจพาให้เราเลิกละประกอบความเพียน ความขยันมันพาให้เราปราลบความเพียรมีแต่คําสั่งให้หยุดไม่แต่คําสั่งให้ทํามันตั้งอยู่บนลูกพนน้ำแต่เรามอ่เห็นแล้วเดีวเรานั่งอยู่มันเชื่จะลุกเราก็เห็นว่ามันเป็นลูกทำมันเป็นนา้ำทำเราก็ลูกของเราเอง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 เราก็จะได้เห็นมันเห็นสิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้นเป็นดาการต่างๆที่มันเกิดกับรูปกับนามนเราก็จะต้องรู้แจ้งตรงนี้ได้เห็นแจ้งตามความเป็นจริงโดยพูดหลายครั้งหลายหนว่ามันเป็นดาการของรูปของนามทั้งหมดความ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 อาจจะถือว่าเป็นการบรรลุธรรมได้เห็นอาการของรูปของนามตามความเป็นจริงตามความเป็นจริงมันเป็นอาการเช่นความโกรธมันเป็นอาการจริงแบบอาการไม่ใช่จริงแบบปรมัตาจริงแบบสมมุติความทุกข์ที่มันเกิดขึ้นกับรูปความนามมันจริงแบบสมมุติบัญญัติไม่ใช่เป็นปรมัาณสัตธรรม ความหลงไม่ใช่สัจธรรมความไม่หลงเป็นสัจธรรมมาพร้อมกันถ้าได้รูปได้นามมันแก้ของมันเองห น, นามยอกก็หนมบง่งบ่งเป่งมันแก้ในตัวมันเนื้อในมันเนื้อในมันเองในเนื้ออยู่ในกับตัวเหมือนคนทำงานทำการที่มีสติปัญญา ให้คนมาทํางานให้เราก็เนื้ออยู่ในน้ํานั่นเนื้อมันในมันงานที่เขาทําเขาก็ใช่ของเขาเองเช่นธกอสอเขามีเงินชาป ร, รกิจเขาก็เอาเงินชาปนรรกิจเก็บเงินจากสมัยคิทกทกสอไปให้คนที่เสียชีวิต เอาไปเอามามก็คือเนื้อมันในมันไม่เอามาจากไหนเงินที่เก็บจากสมาชิกก็ไปให้สมาชิกคนที่ตายไปบองคนเสียเป็นหมื่นเป็นแสนหลายปีศพหนึ่งก็หลายบาทเสียไปแล้วเสียไปแล้วบางทีสมาชิกทอคอสอร่มตายไปปีละหลายหลายคนก็เสียเป็นหลายพันเป็นพัน ถ้าสี 40, ่สิบห้าสิบปีตัวเองยังไม่ตายก็เป็นแสนมันกันเมื่อเราตายไปเราก็ลาเราก็เนื้อว่าเราได้เงินโทโขโศแต่แท้เราก็เสียไปเท่าไหรเท่าไรเอาเงินของเราเองเนื้อมันในมันการปฏิบัติธรรมเนี่ยก็เนื้อมันในมันความหลงมันก็เปิดความรู้ ความทุกข์ก็เกิดความรู้ความสุขก็เกิดความรู้อะไรต่างๆที่มันเกิดขึ้นกับใจเป็นอาการต่างๆมันเป็นเนื้อเป็นน้ำอยู่ในตัวเรียกว่าบรรลุธรรมก็ได้เห็นความโกรธนั่นะเป็นการบรรลุธรรมเห็นความทุกข์นั่นนหะเป็นการบรรลุธรรมเห็นอะไรต่างๆที่เกิดขึ้นกับรูปกับนามเป็นความร้อนความหนาวความรู้ความปวดความเมื่อเก็บใข้ได้ป่วย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 ภาวะที่เป็นนามมาทมที่เป็นตัวปัญญาเนี่ยเข้าไปเห็นแจ้งอาการต่างๆที่เกิดขึ้นบนกองลูกกองนามมรรคผลก็อยู่ตรงนี้ที่สุดแห่งทุกข์ก็อยู่ตรงนี้สติสัมปชัญญะสินสมาธิปัญญาก็คาบล่วงตรงนี้เกิดสินเกิดสมาธิเกิดปัญญาได้ก็เพราะเห็นกองลูกกองนาม ไม่ใช่ศีลแบบสมาถานเป็นศีลที่ถลุงแล้วเป็นสมาธิที่ถลุงแล้วเป็นปัญญาที่ลอบลู่ในเรื่องนี้แล้วแล้วมก็มีอยู่ทุกคนยกมือสร้างจังหวะเคลื่อนไปไปมาลู่ได้ผิดได้ถูกได้ทุกได้มันก็คือลูปคือทาง ไมมีอะไรที่จะแสดงได้มากมายเท่ากับกองโลภกองน้ำถ้าเราไม่เห็นกับเรื่องเดียวใา้ไม่จบไม่สิน้นความหลงก็หลงจนตายความโกรธก็โกรธจนตายความทุกข์ก็ทุกข์จนตายทุกข์ตายไปกับความหลงความทุกข์ตายไปกับความทุกข์ตายไปกับความเจ็บความแจ่ เราไม่รู้ความเป็นจริงแน่นอนที่สุดปฏิเสธไม่ได้พวกเราถ้าไม่รู้เรื่องนี้ก็ตายแก่เก็บเกิดแน่นอนถ้ารู้เรื่องนี้ก็จบคนเสด็อถีอ่ถ้าไ ป, นปนคนป่วยเป็นโรคมันเร็งเมื่อวันก็จะไปควบคุมกองลูกบางทีลูกมันควบคุมอะไรไม่ได้ อย่ามีตัวมีตนอยู่ตรงนั้นถ้าลรฝึกแล้วมันก็ภาวะที่เป็นตัวรู้ตัวเห็นแจ้งตามความเป็นจริงนะตัวเห็นแจ้งตามความเป็นจริงปัญญาอาจจะไม่ใช่นามแต่ปัญญาเนี่ยมันก็ทาให เรลี้งเกลาในกองลูกกองน้ำหรือว่าปัญญาโลอกเป็นความโลอกลกูกในกองลูกกองน้ำแล้วกภภภ็ภาวะที่เป็นปัญญานะมันเป็นนามธรรมานามธรรมา ท, ที่เป็นปัญญาเมันไม่มีอะไรที่มาครอบคกมได้ปัญญาที่เกิดขึ้นบนกองลูกกองน้ำมันที่สุดแล้ว ที่สุดแล้วที่สุดแห่งที่สุดแล้วปัญญาที่เกิดผลกองลูกกองนําไม่เหมือนปัญญาที่เกิดอยู่กับการศึกษาตามสูตรสาเร็จไม่ใช่ที่สุดเห็นวิชาการต่างๆจบจากการศึกษาสาขาศาสตร์ต่างๆอันนั้นไม่ใช่ที่สุด เป็นปัญญาเหมือนกันแต่เป็นปัญญานอกกองลูกกองน้ำยลก็มีเพื่ออย่างนี้จริงๆชีวิตของเราไม่เพื่ออันอื่นเพื่อที่สุดแห่งกองรูปกองน้ำไม่ต้องมีปัญหาเพราะกองรูปกองน้ำแต่ถ้าเราไม่ศึกษาจะเป็นปัญหาเพราะกองรูปกองนาำเช็นเราไปโกรธเราลักเราผิดเราพลาดเราวิตกกังวล ทำงานทำการมีปัญหากับเพื่อนรวมงานมีปัญหากับอะไรต่างๆมากมายมันตั้งอยู่บนกองลูกกองนา้าทั้งนั้นไม่ใช่ตั้งอยู่ที่ไหนแล้วก็เจี่ยวข้อก็อไปก็ตามมันมาทางกองลูกประทำกองน้มมาทำกองรูปกองน้ามัมนรับรู้ได้หลายอยา่าง ถ้าเราไม่ได้หลักตรงนี้เราก็ฟรีเลยแหลชีวิตของเรา <c oughs> เอาไปกินฟรีฟรความหลงเอาไปกินฟรีความโกรธความทุกข์เอาไปกินฟรีเราก็หมดพลังงานฟรีฟรจึงมาดูมาศึกษามาได้หลักได้แหล่งถ้าจะเรียกว่าโลกก็เอา ดูดเราไปใช่หมดแล้วโลกเป็นอาศัยอยู่บนของโูกของน้มเพื่อให้เกิดโลกโูกโลกทั้งหลายโลกแห่งกิเลสตัณหาโลกแห่งความเจ็บไข้ได้ป่วยก็ดูดตัวบนโูกของโลกโูกโลกน้ำโลกตรงนี้พอเรามาเห็นแล้วเออรักษาโลกตรงนี้หายโลกที่เกิดอยู่บน เป็นความทุกข์อะไรต่างๆอยู่บนโลกแห่งกองโลป ก, กองน้ำจะไม่มีมีแต่โลกที่มันเป็นปัญญานะได้หลักตรงนี้นะการปฏิบัติธรรมอย่าให้ตะเลิดเปิดเปิงดูใกล้ๆดูใกล้ๆรู้สึกกายมันเคลื่อนไหวก็ เ, เห็นมันดูนี่แหละ วันคิดก็เห็นมันมันไม่คิดก็รู้มันไปมันไม่มีเสียหายปฏิบัติธรรมถ้าจะว่าแล้วแรงไม่เสียท่วมไม่เสียมันหลงก็รู้นะจะว่ายังไงมันไม่หลงก็รูเ้เนี่ยมันสุขก็รู้มันทุกข์ก็รู้กกลเลยแรงไม่เสียท่วมไม่เสียปฏิบัติธรรมถ้าจะเห็นให้คมๆสอกหน่อยก็เห็นเป็นรูปเป็นนามนะ ตามันคมเข้าไปเราเห็นเป็นรูปเป็นนามอา้าวไม่ต้องเรียกว่ารูปไม่ต้องเรียกว่าเวทนาไม่ต้องเรียกว่าสัญญาสังขารวิญญาณขันทังห่าก็จบลงที่กองรูปกองนามการที่สุดแห่งกองทุกข์ก็จบลงบนกองรูปกองนามเลื่อถอด ขันห้าลงเป็นรูปประธรรมเป็นนามธรรมเป็นอาการของรูปเป็นอาการของนามไม่เรียกว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนายช่างที่สร้างกองรูปกองนามหมดหมดสภาพแล้วนายช่างทิดสร้างขัดทั้งห้าหมดสภาพแล้วเห็นเป็นรูปประธรรมเห็นเป็นนามธรรม อุปทานที่ เ, เป็นของกองรูปกองนามหมดสภาพแล้วเจ้าของ เ, อเจ้าของขันธ์ห้าคืออุปทานหมดสิทธ์แล้วมีสติสปชัญญะเป็นผู้ครองกองรูปกองน้ำเจ้าอุปทานไม่มีสิทธ์ มันก็เท่านี้ปฏิบัติธรรมว่าโดยย่อ อ, อุปาทานขันทั้งห้าเป็นตัวทุกข์พระพรุทธเจ้าก็ทรงแสดงสาวกทั้งหลายเค่นนี่สพสสาวกทั้งห้ายก็รู้เรื่องนี่เป็นส่วนมากถ้าเห็นเป็นูปเป็นนามอย่าะเลิดเปิดเปิงอย่าไปคิดตามที่เรียนรู้ไปคิดตามที่จำเอามา ไปคิดตามที่รู้ออกมาเอาเหตุเอาผลอยู่บนความคิดเอาเหตุเอาผลที่ความจำที่เคยจำมาเอาเหตุเอาผลเปรียบเทียบกับครูอาจารย์ต่างๆเอาไปเอามาเป็นรูของเราเองเห็นของเราเองนะมันหลงเราก็เห็นของเราเองมันไม่หลงก็เห็นของเราเองมันเป็นสุขเป็นทุกข์มเกิดตัวใครตัวมัน ผมหลงแต่แลราคนมันหลงต่างภาะวะต่างแบบต่างเรื่องความสุขความทุกขก์ต่างกันเรานี่แหละจะเป็นตัวที่จัดเจณเรื่องนี้นะนี่สติตรงไปมีสติลงไปแต่ว่าต้องสร้างสติถ้าไม่สร้างไปคิดเอาจําเอาไม่ใช่สติมันจะมีตอนที่มันประกอบ เกิดได้จากการประกอบเกิดได้จากความผิดความหลงความสุขความทุกข์สติมันเกิดอยู่บนกองโลกทั้งหลายโูกโลกตามโลกความสุขความทุกข์ความไปตกองวนความงงเหงาเหานอนความลังเลสงสัยอะไรต่างๆสติมันเกิดมันงอกงามอยู่ตรงนี้ด้วยมันหลงเกิดความรู้มันงอกงามอยู่บนความหลงมันทุกข์ มันเกิดความรู้สึกตัวมันงอกงามอยู่บนความเหมือนปุ๋ยเหมือนปุ๋ยที่ทำให้ต้นน้อยต้นข้าวงอกงามของสกปรกทาให้งอกงามเหมือนปุ๋ยทั้งหลายมันสปกปรกมาติดเนื้อติดตัวเราก็เป็นด่างเป็นคันเป็นอะไรไปแต่ว่าสติมันจะเกิดอยู่บน ความหลงความอะไรต่างๆปัญหาต่างๆที่มันเกิดขึ้นกับรูปกับนามเห็นความโกรธเห็นความโกรธก็เป็นสติแล้วเป็นปัญญาความรอบรู้ในกองสังขารก็เป็นปัญญาเราจึง <c oughs> พอพอตัว ที่มีชีวิตเราเพื่อการเน่โดยตรงมีกายกับพิมือสร้างจังววะพอมันหลงเกิดขึ้นมาเราก็ได้ความรูจมดาจากความหลงโดยความรูดจากกองลูกกองน้ำจนเกลี้ยงเก่าที่สุดไม่เบอะไรจะทำที่อยู่บนกองลูกกองน้ำสมมติปัญญาิปรมาจิต จ, จะกุศลอกุศลหัวหลงกูเทียนมา กายก็ตามวาจาก็ตามใจก็ตามที่เป็นกุศลอกุศลทางกายอากุศลทางวาจาอ ก, กุศลทางกิจกุศลทางกายกุศลทางวาจากุศลทางกิจจับหลักตรงนี้ไปใช้รูปใช้นามเป็นกุศลทางกายทางวาจาทางกิจนี่คือตัวปฏิบัติเกงๆอย่าชงเอชงอ่ะอย่า เาว่าพวงต้องหลักจับหลักติดตามอย่าหยุดหยุดหนย่อนดูดีๆจะถูกถูไม่ดีจะถูกหลอกเหตุผลก็เป็นความหลอกกันหนึ่งเหมือนกันไปโน่นคิดไปนี่คิดทำโน่นคิดทำนี้อย่างโน่น อ, อย่างนี้เหตุผลเหตุผลมันจะหลอก ปฏิบัติทําการเจริญสติมันจะเห็นตัวนี้เข้าไปอีกมันคิดอันนั้นวัตถูกอันนี้ว่าถูกมันคิดไปที่แท้มันดับเบิ้ลผิดไปแล้วดับเบิ้ลผิดไปแล้วพอมันคิดอะไรก็รู้สึกตัวโอ้เวลานี่เรากําลังเจริญสติอเวลานี่เรากําลังเจริญสติรู้สึกตัวพอมันคิดไปโน่นคิดไปนู้นรู้สึกตัวซะมาปฏิบัติมาประกอบพิกมือก็มือหงายมือนะ มันจะเกิดทันถ้ามันหลอกแล้วหลอกเกี่มก็หลอกความหลอกหลอกได้ดิบได้ดีต่อไปเลยไม่ใคยหลอกได้เท่ากับตัวเราหลอกตัวเราล อ, องพยายามรู้สึกตัวรู้สึกตัวเห็นภาวะที่มันหลอกผิดมันเกิดขึ้นกับกองรูปกองน้ำนยโว้มันลึกซึ้งมากนะ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 เลองเกิดขึ้นกับกายว่าใช่กายให้ทําสําเร็จมันสั่งให้กิตทํามันสั่งให้กายทํามันสั่งให้วาจาแสดงเป็นคําพูดออกไปเราจึงรู้สึกตัวรู้สึกตัวรู้สึกตัวระวังอย่าเพิ่งไปเอาเหตุเอาผลจากความผิด <Okay. S 1> ความถูกที่เกิดขึ้นจากความคิดหาคำตอบที่เกิดจากความคิด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 ลูกพน้ําเราก็ไม่เกี่ยวข้องหรอกเอามาสร้างเป็นตัวลูสึกตัวมันจะแสดงออกทางกายก็ลูสึกตัวมันแสดงออกทางจิตใจก็ลูสึกตัวมันแสดงออกทางลูกทางรสทางตาทางหูก็ลูสึกตัวไว้ก่อนลูสึกตัวไว้ก่อนให้มันมีหลักตรงนี้จับหลักตรงนี้ให้มันได้การปฏิบัติธรรมนี่ก็การพูดทุกวันแเองผมเรียกว่าผมพูดแบบสอบอารมณ์ในตัว ถ้าเราฟังดีๆไม่ต้องไปสอบอารมณ์ทุกวันนี่มันมันเจริญแล้วสมัยที่หลวงปู่เทียนสอนคนไม่ค่อยได้ศึกษาไม่ได้ยินได้ฟังไม่ค่อยได้ศึกษาอะไรก็ต้องสอบอารมณ์แต่ว่าผมพูดทุกวันนี้เป็นการสอบอารมณ์ไปในตัวเอาไปประกอบเลยนะ ถ้าไปสอบพารม์ก็พูดเหมือนพูดตอนเช้าตอนเย็นนี่แหละแต่ว่ามันต่างวาละกันเฉยๆมันทันทีมันก็ดีนะทาให้นักปฏิบัติได้ตั้งต้นได้อบอุ่นนะแต่พูดถึงตัวปฏิบัติจริงจรงนี่พอแล้วของผลแต่ว่าเวลาไปสอบพลรม์เป็นเพื่อนมันอบอุ่นวอมอบอุ่น ทำไมไม่เ <c oughs> ชิงเอชิงอ่านะ